เอชชั่นเอนเรมนูมใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก เธอพระเจ้าช่วยโลกด้วยนี่ศีลาเอ่งบ่นอะไรเหอฮะฉันไม่ได้บน่นแต่ฉันขอพอรพระเจ้าอ๋อภาวนาให้พระเจ้าช่วยเหรอใช่นายไม่เคยศรัทธาในพระองค์เจ้านายไม่มีวันเข้าใจหรอกแล้วไงฉันอยากให้นายเนี่ยเข้าโบทบ้างในแม่เสารียนี่ก็มีโบทนายไม่รู้หรืองไงรู้สิแต่อยู่ในเมือง ไม่ใช่บนเขานี่สักหน่อยแล้วนายอยู่พื้นที่ราบหรือว่าอยู่บนเขาละ่ะเมื่อก่อนข้าอยู่บนเขานี่แต่ตอนนี้ข้ามีทั้งที่อยู่ในตลาดแล้วก็บนเขานี่แล้วเองอยากอ ย, กอยู่ที่ไหนละ่ะถามทำไมข้าจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าจะอยู่ที่ไหนดีไงนายจะอยู่ไหนมันก็เรื่องของนายไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยเกี่ยวสิเพราะข้ารักเองนี่นะยังไงข้าก็ต้องการแต่งงานกับเองให้จงได้ถ้านายอยากแต่งงานกับฉัน นายก็ต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเสียก่อนสิมันเกี่ยวกันด้วยเหรอเกี่ยวสิฉันจะไม่มีวันอยู่กินกับคนอันธพาลโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งนั้นไม่แต่งก็ไม่แตง่งแต่ข้าจะล่าเองไปทำเมียถ้านายทำอย่างนั้นพ่อฉันไี่ละเว้นชีวิตนายแน่ <laughs> หัวเราะทำไมข้าขำเองนะสิทาํามพ่อเท่านัเหรอจะมีปัญญาทาอะไรข้านี่อย่ามาดูถูกพ่อช่ไนะ <laughs> จริงๆนี่นะ พ่อเท่ากับพ่อข้าเทียบกันไม่ได้เลยนะ่าจะบอกให้ก็แน่ละ่ะพ่อฉันเป็นคนดีเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แต่พ่อนายไม่ใช่เลยพ่อนายมันผิดมนุษย์ชอบทำตัวเป็นมหาโจรเที่ยวปล้นเที่ยวจี้คนอื่นเขาชอบทำาชั่วเฮ้ยศิลา เองกล้าด่าพ่อข้าเหรอฉันพูดเรื่องจริงหรือว่านายยอมรับความจริงไม่ได้หรือไงก็อย่างว่าเลยนะคนอย่างนายมันขี้ขลาตาขาวอยู่แล้วนี่นาไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่ทําตัวเป็นอันธพาลหรอกทำไมคนกล้าในสายตาของเองมันเป็นยังไงฮะก็อย่างพี่สูเวย์ยังไงละ่ะอ๋อรักไอ้สูเวย์นะสิฉันยังไม่ได้บอกนายว่าฉันรักพี่สูเวย์แต่จะบอกนายว่า พี่โซเวเขาเป็นคนกล้าถ้าอยากเป็นคนกล้าก็ต้องทําตัวอย่างเขาขยันทำมาหากินอดทนไม่ละลานคนอื่นเหมือนนายถ้าข้าทําได้อย่างไอ้ซูเวเองจะแต่งงานกับข้าไหมขอให้นายทําให้ได้ก่อนเถอะแล้วต้องเชื่อในพระเจ้าด้วยมีเห็นมันเกี่ยวกันเลยคนต่างศาสนาเขาแต่งงานกันได้ไม่รู้ล่ะฉันแค่อยากพิสูจน์ว่านายอะ่ะมีความมุ่งมั่นแท้จริงแค่ไหนก็ได้ ข้ารับปากเองข้าจะต้องทำให้ได้อะก่อนอื่นนายรอเดี๋ยวนะเองจะไปไหนฉันจะไปหยิบของให้นายอะไรเหรอเดี๋ยวนายก็รู้เองนั่นแหละ ให้อะไรอ่ะหนังสืออะไรอ่ะคำพีคำสอนของพระเจ้าไงข้าจำเป็นต้องอ่านด้วยเหรอฉันไม่ได้บังคับนายนะถ้านายอยากอ่านเมื่อไหร่ก็หยิบมาอ่านแล้วกันแต่ถ้านายมีความมุ่งมั่นจริงๆความฝันของนายก็จะกลายเป็นจริงขอเพียงแค่นายตั้งจิตภาวนาทำแต่ความดีขยันทามาหากินรับรองนายจะได้ทุกอย่าง ตามที่นายฝันแน่นอนเอ้ยข้าจะพยายามเชื่อเองแล้วกันดีแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ทํามาเอ็งมีรางวัลอะไรให้ข้ามัง่งอ้าวก็นายยังไม่ได้ทำความดีเลยจะเอารางวัลแล้วหรือไงขอข้าวกินสักมือไม่ได้หรือไงอ๋อเรื่องนั้นอะไม่มีปัญหาหรอกรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมาให้ขอบใจมาก เองไม่กินด้วยหรือไงฉันเพิ่งกินอิ่ไม่ถึงสองชั่วโมงเออแล้วพ่อเท่าไปไหนไปตัดไม่ไผ่ถ้าอยากช่วยพ่อฉันนะ่ะก็เข้าป่าไปสิพ่อเท่านี่ยไม่ชบอบขี้หน้าข้านี่ถ้านายทําตัวดีๆนะพ่อฉันไม่เกลียดนายแน่นอนก็นี่ไงข้าให้สัญญาแล้วไงถ้า ง, งั้นก็ไม่ต้องกลัวพ่อฉันแต่พ่อเองนะี่ยไม่รู้นี่นะว่าข้ารับปากเองไว้แล้วนายก็บอกพ่อฉันสิ จะยากอะไรเราเอ็งอยากให้ข้าไปช่วยพ่อเองจริงๆเหรอนี่ไม่ได้บังคับนะขอข้าคิดดูก่อนก็นแล้วกันตามใจเอ็งทำกับข้าอร่อยมากเลยรู้มาขับใจว่างๆไปทำให้ข้ากินที่บ้านหน่อยสิเสียใจด้วยนะรังเกตข้าหรือไงลาแต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นนายไม่ไดเป็นผัวฉันสักหน่อยทำไมจะต้องไปทากับข้าให้นายกินด้วยอ่ะนายนี่พูดแปลกนะเอาเถอะข้าสัญญา ข้าจะต้องเอาชนะใจเองให้จงได้ฉันจะคอยดูแล้วกัน ลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่สเสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment d s e e สัญญาจะจำ m a t even a s e c r e Oh, I miss you. Do I know? กำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่สเสียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ป่าถูกที่ฉันเคยเป็นป้าญาติสูบเขามาก่อนนะนานแล้วใช่ไหมก่อนมีไปศึกษางานก็เป็นมา่รักหนึ่งก็เป็นปีแล้วสินะประมาณนั้นแหละไอ้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเว้ยเปลี่ยังไงก็ยังเป็นถนนเส้นเดิมบ้านปลูกอยู่ที่เดิมแล่ะก็อาจจะรื้อแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่หรืออาจจะต่อเติมจนไม่มีเขาโครงบ้านหลังเดิมเลยก็ได้นะเอนะาแต่ก็รู้จนจะถึงเรื่อย่างเนี่ยเออ น, นี่ถนนเส้นนี่แหละใช่ไกลหรืไ อ, อย่าง ก็กำลังนึกอยู่นะฮะหมายความว่าบ้านช่องบนถนนเส้นี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหมดแล้วสินี่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะตอนมาคราวก่อนไม่มีโรงแรมขึ้นมากมายขนาดนี้เลยไม่อก็เห็นฝรั่งเดินซะตั้งไรก็แต่ตอนนี้ฝรั่งเลยให้ควักเลยแล้วจะเจอบ้านเธอมไหมเนี่ยเออ น, น่าจะเจอนะเฮ้ยนี่เด็กเจอแล้วคิดรือว่าสุกก็จะยินดีต้อนรับนายนะฮะก็ไม่ได้คาดหวังอะไร กันมาเพื่ออะไรวะเพวกความสะใจไงอยาให้ตอนเธอตกใจที่เห็ฉันโผล่ไปในงานมงคลของเธอโธ่ยแค่นั้นเองนะเพื่อนอฮะก็น่าจะอยู่บ้านมากกว่านะนี่มาทําไมก็ไม่รู้สินะเจ็บบนนักเลยนะานายก็แหม<ๆ>ก็ก็ปัญหามันน้ยล่ะเอานะ่าไม่มีอะไรหรอกฉันรับรองนะงานนี้ไม่มีการสาดน้ํากรดแน่เพื่อนจะบ้าหรือไงไม่ต้องพูดอนะ่ะเพราะยังไงก็ตามนายทํอย่างนั้ไม่ได้แน่นอน ต่อให้นายคิดจะททำก็ก็ตามมานะนายถ้าเป็นผู้ชายไม่มีผู้ชายคนไหนอนังกรดสตร์หน้าคนที่ตนรักเด็ดขาดถึงแม้ว่าคนรักจะขอเลยกก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันนั่นอีกเรื่องหนงึก็ไม่คิดไงแล้วนายพูดทำไมอะฮะก็แค่พูดถึงเฉยเฉย น, ยนายนี่จริงๆเลยถึงหรือยังอืมถึงและไหนหลังไหนวะโน่โนนน หลังสีเขียวนู่นไงอ๋อหลังที่มีรั้วบ้านนั่นน่ะเหรออืมบ้านทรงไทยนี่นหละใช่แนละ้วเราจอดหน้าบ้านเลยนะก็เอาสิเพื่อนประตูรั้วไ ม, ม่ได้เปิดนี่นะ่ะเบือนไม่มีงานอะไรเลยนะเพื่อนนะเอ๊ะถ้ะไปจัดงานกันในโรงแรมฉันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยเพื่อนเออหน้าเราไปกด อ, ออเดเดย์ก่อนกันแล้วกันใครลงนายลงใช่ไหมเออ เชิญเองก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่อะกดเลยออดนะกดเลยก็ได้ไงกําลังเอื้อมือไปกดออดอยู่เนี่ยมาหาใครคะเออสดอยู่หรือเปล่าคุณสุน่ะเหรอคะใช่แล้ววันนี้เป็นวันแต่งงานของเธอถูกต้องไหมใช่แล้วคะ่ะขอเข้ไปแสดงความยินดีกับเธอหน่อยนะฉเป็นเพื่อนสนิทของเธ อ, เ, อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณขาอ่ะมีอะไรเหร อ, อ, อคือว่า ตอนนี้คุณสุเธอไม่ได้อยู่บ้านหรอกนะคะอ๋ออยู่โรงแรมใช่ไหมไม่เป็นไรเธอช่วยบอกที่โรงแรมแล้วก็หมายเลขห้องพักด้วยนะเดีย๋ยวฉันไปหาเขาเองไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจหรอกนะคะอ้าวแล้วยังไงอ่ะคือว่าตอนเนี้ยคุณสุเธอไม่ได้อยู่ที่หัวหินแล้วค่ะอ้าวเขาไปไหนก็ในกาดบอกว่าจัดงานที่นี่นินาค่ะจัดงานเลี้ยงตอนเช้าที่นี่จริงๆค่ะแต่งานคืนเนี้ยไม่มีค่ะแล้วก็ไม่เคยมีด้วยค่ะออืเดี๋ยวหมายเขาว่าไงนะ คือคุณสุเธอจะต้องไปกับเจ้าบ่าวเพื่อไปเหนือค่ะไปจัดงานกันที่ภาคเหนือนั่นเหรอค่ะที่ไหนเชียงรายค่ะว่าไงนะไปจัดการวิวาทังเชียงรายเลยเหรอค่ะไปยังไงเนี่ยขับรถตู้ไปกันนะคะเห็นว่าจะไปนั่งเครื่องบินที่กรุงเทพนะคะอ้าวเหรอค่ะ อืมแล้วมีมีที่อยู่เธอหรือเปล่า่รอเดี๋ยวนะคะอีสันขอเข้าไปถามคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงก่อนนะคะอืมรีบไปได้โปบอกชะนะค่ะ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสัียาบัตรหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอนน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 5,000 0หรือส่งที่ SMS 0820335951ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี